เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่เจ็ดกรกดาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบตรงกับวันแรงแปดข้มเดือนแปดเป็นวันพระวันธรรมสวนะ วันฟังธรรมเป็นวันชำระกายวาจาใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์เพื่อจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญความร่มเงย็นเป็นสุขความดีงามทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนมันเข้าวัดกันเป็นประจำอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อจะได้มาทำภารกิจ คือการชำระกายวาจาใจให้สะอาดเนื่องจากกายวาจาใจก็เป็นเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่หลังจากที่ได้ใส่ไปแล้วก็ต้องเกิดการเปื้อนก็ต้องมีการนำเอาไปซักเอาไปรีดเอาไปทำความสะอาดกายวาจาใจของเราตลอดระยะเวลาเจ็ดวันที่ผ่านมา ก็มีการกระทามีการพูดมีการคิดที่จะทำให้เกิดการเปิดเผนขึ้นมาเช่นเดียวกันเช่นการกระทาที่ทำให้เกิดการเปิดเผนก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีส่วนการพูดที่พูดแล้วทำให้เกิดการเปิดเผนขึ้นมา ก็คือการพูดบทการพูดเพ้อเจ้อการพูดคำายากการพูดส่อเสียดส่อเสียดคือการพูดที่ทำให้เกิดความแตกสามาคีไม่ได้หมายถึงความพูดเสียดสีความพูดเสียดสีนี้หมายถึงพูดเพื่อที่จะให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บช้ำน้ำใจแต่ส่อเสียดนี้หมายถึง การพูดยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีเช่นยุยงให้สามีภรรยาเขาทะเลาะวิวาทกันยุยงให้คนในสังคมแตกแยกกันเพราะเมื่อมีการแตกแยกกันแล้วย่อมไม่มีความสุขย่อมไม่มีความเจริญสังคมต้องมีความรักมีความสามัคคีกันจึงจะอยู่กันได้ อย่างรบเย็นเป็นสุขอยู่ได้ด้วยความเจริญก้าวหน้าดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นสอนอยู่เสมอให้รู้รักสามคัคคีกคให้ให้รักกันให้สามัคคีกันดังนั้นการพูดของเราก็ต้องระมัดระวังอย่าให้เป็นการพูดที่สเสาะเยษขึ้นมาเพราะพูดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เกิดมีแต่จะเกิดโทษ ถึงแม้จะเป็นความจริงก็ตามแต่ก็ไม่ควรพูดความจริงบางอยา่างไม่พูดเสียจะดีกว่าพูดไปแล้วทำให้เขาต้องทะเลาะวิวาสต้องทำร้ายกันเช่นไปเห็นสามีเขาไปมีคนอื่นแล้วก็ไปบอกภรรยาเขาอย่างนี้เป็นต้นพูดไปแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรพูดไปแล้วก็ทำให้ภรรยาต้องเจ็บช้ำน้ำใจ โกแค้นขึ้นมาถ้าเราไม่พูดเขาไม่รู้เขาก็ยังรักกันอยู่ปล่อยให้เขารู้ของเขาเองก็แล้วกันถ้ารู้แล้วอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่เป็นเราไม่ได้เป็นไปพูดที่จะทําให้เกิดความแตกแยกเกิดการทําร้ายกันขึ้นมานี่คือการพูดที่จะทําให้เกิดความเปิดเปื้อนขึ้นมาซึ่งเราก็คงจะ พูดกันอยู่เรื่อยๆพูดคำปวดบ้างพูดเพ้อเจ้อบ้างพูดคำหยาบบ้างพูดส่อเสียบ้างเมื่อเป็นเช่นนั้นถึงวันพระเราก็ต้องมาชำระมาตั้งใจว่าจะไม่จะไม่กระทบไม่พูดอย่างนั้นอีกถ้าพูดไปแล้วก็พยายามละเว้นเสียส่วนความเปิดเปื้อนทางใจก็มีอยู่สามเช่นเดียวกัน คือความโลภความโกรธความหลงเวลาเราโลภเราโกรธความหลง<ม>ก็ทำให้ใจของเราเปิดเปื่อนทำให้ใจของเราเศร้าหมองมีความทุกข์มีความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจพระพุทธเจ้าถึงทรงสอนให้เราหมั่นชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งชำระใจที่เป็นต้นเหตุของการกระทำ และการพูดที่ไม่ดีนั่นเองถ้าใจเราดีแล้วเราก็จะคิดเราก็จะพูดดีทำดีถ้าใจไม่ดีก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีใจจะดีก็อยู่ที่การไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจไม่ดีก็อยู่ที่การมีความโกรธความโลภความหลงเวลามีความโกรธแล้ว ก็จะไม่สามารถพูดดีๆได้เวลาโกรธใครมากๆก็จะต้องใช้วาจาพุทธพุทวาสพูดคำหยาบเวลาเกิดความโลภ ก, ก็มักจะพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเวลาเกิดความอิจฉาริษยาก็มักจะพูดส่อเสียดอิจฉาใครเห็นใครเข้าได้ดี ก็พยายามที่จะไปพูดยุยงให้ผู้อื่นเขาไม่รักไม่ชอบไม่ยินดีให้เกิดความแตกแยกกันดังนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือการดูแลใจถ้าเราดูแลใจไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงได้แล้วเราก็จะทำดีพูดดีจะไม่ทำไม่ดีจะไม่พูดไม่ดี ต้นเหตุของการกระทำทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่ใจของเราเป็นหลักถ้าใจของเราสงบนิ่งปราศจากความโลภความโกรธความหลงก็จะไม่ทำในสิ่งที่เสียหายไม่พูดในสิ่งที่เสียหายถ้าใจของเราโกรธใจของเราโลภใจของเราหลงเราก็จะไปทำในสิ่งที่ไม่ดี จะไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเฝ้าดูใจของเราเป็นหลักพยายามคอยสังเกตดูใจของเราทุกขณะเช่นขณะนี้ใจของเราเป็นอย่างไรโลภหรือไม่โกรธหรือไม่หลงหรือไม่ถ้าเรานั่งสงบมีความสบายไม่ได้ก็จะไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงแต่ถ้าเรานั่งไม่ติด นี่แสดงว่าเรามีความโลภแล้วเราอยากจะไปทําอะไรอยากจะลุกจากที่นี่ไปเวลานั่งก็จะรู้สึกอุดอิดรำคาญใจดังนั้นขอให้เราดูใจเราเป็นหลักถ้าเราถ้าใจเราไม่สงบนิ่งไม่เฉยเฉยเป็นปกติก็แสดงว่าใจของเรากำลังวุ่นวายเมื่อวุ่นวายแล้วก็ต้อง หรือทำในสิ่งที่ไม่ดีจึงต้องคอยดูใจไว้เวลาใครเขาทำอะไรพูดอะไรเราต้องสังเกตดูที่ใจเราว่าเกิดความพอใจหรือเกิดความไม่พอใจหรือไม่เพราะถ้าเกิดความไม่พอใจเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วเราก็จะพูดไม่ดีกลับไป ถ้าเรารู้ทันว่าขณะนี้เรากำลังมีความไม่พอใจเราก็ระ ง, งับการกระทำทั้งหลายไม่พูดไม่ทำอะไรนิ่งเฉยถึงแม้สิ่งที่คนอื่นเขาพูดเขาทำเราจะไม่พอใจหรือสร้างความเสียหายให้กับเราเราก็ต้องนิ่งเฉยไว้ก่อนเพราะถ้าเราไปพูดไปทำอะไรจะทำให้เกิดความเสียหาย มากขึ้นไปอีกสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำนั้นเกิดความเสียหายไปแล้วเราพูดหรือไม่พูดมันก็ไม่ได้ไปหยุดเลือยยับยัง้งให้สิ่งที่เสียหายนั้นมันกลับดีขึ้นมาได้แต่การนิ่งเฉยของเรานี่แหละเป็นการดีที่สุดเพราะอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ทำให้มากขึ้นคือ เราไม่ไปเสริมไม่ไปทำให้เกิดปัญหามากขึ้นนั่นเองแล้วสักระยะหนึ่งใจของเราหรืออารมณ์ของเราก็จะสงบตัวลงอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเราไม่ว่าจะเป็นความไม่พอใจความโกรธความโลภความอยากต่างๆก็ไม่ได้อยู่ไปตลอดมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเหมือนกับ แสงห่งห้อยมันมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาฉันใดอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเรามีสติเราจะรู้ทันอารมณ์ของเรารู้ว่าเรากําลังมีอารมณ์อย่างไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้ระมัดระวังคอยควบคุม ถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพูดจะต้องทำอะไรก็นิ่งเฉยเสียก่อนหรือไม่แน่ใจว่าถ้าพูดหรือทำไปแล้วจะทาจะเกิดความเสียหายขึ้นมาก็อย่าพึ่งไปทำแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองพอเวลาที่อารมณ์ของเราสงบไปแล้วเราก็จะมองทุกสิ่งทุกอย่างไปอีกอย่างหนึ่งขณะที่เรามีอารมณ์โกรธ เราก็อยากจะทุบอยากจะทำร้ายผู้อื่นแต่พอเราหายโกรธแล้วเราก็จะไม่รู้สึกอยากจะทุบทำร้ายผู้อื่นถ้าเราได้ทุบทำร้ายผู้อื่นไปแล้วเราก็จะเสียใจในภายหลังปัญหาทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเราเองคนอื่นเขาไม่สามารถทำให้เราโกรธได้ถ้าเราไม่โกรธเสียอย่างต่อให้เขาทำร้ายเรา ทำข้าเราถ้าเราไม่โกรธเราก็ไม่โกรธอยู่ดีแต่ถ้าเราโกรธเรามีเชื้ออยู่ใครก็พูดอะไรนิดทำอะไรหน่อยก็จะทำให้เราโกรธขึ้นมาได้ไง่ายๆคนอื่นเขาเป็นเพียงจุดชนวนเท่า น, นั้นเองถ้าเรามีเชือ้อมันก็จะลุกขึ้นมา ท, าทันทีถ้าไม่มีเชือ้อต่อให้จุดไปยังไง มันก็ไม่มีไฟลุกขึ้นมาได้ดังนั้นเราต้องกําจัดเชื้อภายในใจของเราเชื้อที่ทําให้ใจของเราลุกเป็นไฟขึ้นมาเชื้อที่ทําให้ใจของเรารุ่มร้อนมีความทุกข์มีความกังวลไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรนอกจากเป็นความโลภความโกรธความหลงนี่แลนี่แลคือเชื้อไฟในใจของเราที่เราต้องพยายาม กำจัดให้ได้อย่าไปส่งเสริมมันการกำจัดก็คือเวลาโลภ ก, ก็ไม่โลภตามเวลากโกรธก็ไม่โกรธตามเวลาหลงก็ไม่หลงตามนี่เป็นวิธีกำจัดวิธีที่ส่งเสริมให้มีความโลภความโกรธความหลงมากขึ้นก็คือเวลาโลภ ก, ก็โลภตามเวลากโกรธก็โกรธตามเวลาหลงก็หลงตาม ถ้าทำอย่างนี้ก็จะทําให้มีความโลภมากขึ้นทาให้โลภมีความโกรธมีความหลงมากขึ้นทําให้ไฟลุกขึ้นเป็นกองใหญ่ขึ้นไปทําให้มีความทุกข์มากยิ่งยิงขึ้นไป <Yeah. S 1> ดังนั้นเราต้องพยายามต่อสู้กับความโลภ ก, กับความโกรธและความหลงเสมอพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราใช้เหตุผล mm hmm. เวลาที่เรามีความโลภ อยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้พิจารนาว่าถ้าไม่มีสิ่งที่เราอยากได้แล้วเรายังจะอยู่ต่อไปได้หรือไม่ถ้าเรายังอยู่ต่อไปได้เราก็ไม่ควรที่ไปเอามาคือตัดความโลภตัดความอยากนั้นไปเช่นเราเห็นคนเดินเขามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาแต่ทั้งๆั้งที่ เราไม่มีสิ่งนั้นเราก็อยู่ได้เราไม่เดือดร้อนอะไรเราก็ควรที่จะหักห้ามจิตใจเพราะเราจะอยู่อย่างสุขสบายกว่าถ้าเราอยากได้อะไรแล้วเราก็ต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อหามาแล้วเราก็ต้องมาดูแลรักษาสิ่งที่เราได้มา แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจเมื่อสิ่งที่เราได้มาต้องจากเราไปหายไปนี่คือวิธีที่เราจะสามารถเอาชนะความโลภความอยากได้คือให้ใช้เหตุผลถ้าไม่มีแล้วไม่ตายก็แสดงว่าไม่ต้องเอามาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราอยู่อย่างมักน้อยสันโดษคืออย่าไปโลภมาก เอาน้อยๆเอาเท่าที่จำเป็นพอมีพอกินแล้วก็พอแล้วมีมากกว่านี้ก็ไม่ได้ทำให้ใจของเรามีความสุขมากไปกว่านี้แต่จะกลับทำให้ใจมีความทุกข์มากยิ่งขึ้นไปทุกจากการที่จะต้องคอยดูแลรักษาทุกจากที่จะต้องคอยห่วงคอยกังวลทุกจกเกิดขึ้นจากการที่ ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเมื่อต้องจากกันไปนชีวิตของคนเรานั้นความสุขที่แท้จริงอยู่กอยู่ที่อยู่ที่ใจที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ก, ก็จะไม่ทุกข์กับอะไรดังนั้นเราต้องพยายามต่อสู้กับความโลภด้วยการใช้เหตุผลการต่อสู้กับความโกรธก็ทรงให้ใช้ ความเมตตาคือให้อภัยไม่จองเวรไม่ว่าใครเขาจะพูดอะไรทาอะไรสร้างความเดือดร้อนสร้างความเจ็บช้าน้ำใจให้เรามากมายเพียงไลก็ตามถ้าเราไม่โกรธเสียอย่างเราให้อภัยเราไม่จองเวรเสียอย่างก็จะไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างสิ่งที่เขาพูดไปแล้วทําไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้ว ถ้าเป็นถ้าเป็นข้าวของก็เสียไปแล้วแต่เราอย่าไปเสียใจตามไปด้วย mm hmm. เช่นใครมาแย่งสิ่งของหรือสมบัติของเราไป mm hmm. เขาเอาไปแล้วเราเสียของไปแล้วเสียอย่างเดียวก็พออย่าเสียสองอย่างคืออย่าเสียใจด้วย mm hmm. เสียใจนี่มันทุกมันทุกข์ ท, กทรมานมากเสียของไปก็เท่านั้น ถ้าเรารู้จักเสียดีไม่ดีเรากลับมีความสุขซะอีกถ้าเราคิดว่าเออเอาไปได้ก็ดีจะได้หมดเป็นจะได้หมดภาระกันจะได้ไม่ต้องมาห่วงมากังวลจะได้ไม่ต้องมาเสียอกเสียใจในภายหลังอย่างวันนี้ญาติโยมก็เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของแต่ญาติโยมกลับไม่มีความรู้สึกทุกข์ใจแต่อย่างใดเพราะตั้งใจจะเสียยินดีจะเสีย ยินดีที่จะมาทำบุญให้ทานนั่นเองฉันใดเวลาที่เราเสียอะไรไปขอให้เราคิดว่าเป็นการทำบุญให้ทานไปเรียกว่าอภัยทานอภัยทานนี่ก็เป็นการให้เหมือนกันเหมือนกับการให้ข้าวของเงินทองที่ญาติโยมนำมาถวายพระในวันนี้เรียกว่าวัตถุทาน ส่วนการให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่จองเวยจองกรรมเรียกว่าอาภัยทานก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันนี่คือวิธีที่เราจะสามารถเอาชนะความโกรธได้ส่วนความหลงเราก็ต้องใช้ปัญญาเราต้องเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่เราหลงอยากได้อยากมีมาเป็นของเรา อยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆอยากจะให้เป็นอย่างนั้นไปนานๆ น, นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วจะไม่ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดและมีดับเป็นธรรมดา มีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเช่นร่างกายของเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาสมบัติเข้าของเงินทองและบุคคลต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นเช่นเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงจากใหม่กลายเป็นเก่าจากเก่าก็กลายเป็นของเสียของชารุดไปหรือตายไป เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเราอย่ารงยึดติดกับสิ่งต่างๆเราอยู่ในโลกนี้เกิดมาในโลกนี้ไม่ได้มาเพื่อที่จะมาครอบครองสมบัติเข้าของเงินทองหรือบุคคลต่างๆเพราะเราไม่สามารถครอบครองไปได้ตลอดเวลาการมาเกิดนี้เป็นการมาใช้บุญมามาม า, มาใช้กรรมช้แลนะมาสวยบุญ มาสร้างบุญสร้างกรรมใหม่อยู่ที่เราว่าเราจะเลือกทำอะไรเรื่องบุญกรรมที่เราทำไว้ในอนดีตนั้นเราต้องรับคือเราต้องรับผลของมันในชาตินี้เวลาเรามีความสุขมีความเจริญแสดงว่าเรากำลังได้รับอนิสงค์ของบุญเก่าที่เราได้ทำไว้เวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากลาบากลาบนมีเรื่องมีราวมีปัญหา มีความทุกข์มีความเว้นวุ่นวายมีความเศร้าโศกเสียใจแสดงว่าเรากำลังรับใช้กรรมเก่าที่เราทำไว้กรรมผลของบุญและผลของกรรมเก่าเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้มันจะต้องเกิดขึ้นมีสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือเราสู้มันรับรู้มันไว้ด้วยจิตใจที่นิ่งสงบ ไม่ต้องไปเสียอกเสียใจไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องไปตีโพตีภายโทษตัวเราเองโทษกรรมเก่าของเราเองว่าเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีมาเราจึงต้องมารับใช้กรรมเก่าที่เราได้ทำไว้ <Yeah. S 1> ส่วนการสร้างบุญและสร้างกรรมนั้นเรามีเราเลือกได้เราเลือกสร้างบุญก็ได้สร้างบาปกรรมก็ได้เราสามารถเลือกได้ ถ้าเราเชื่อฟังพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้เราคอยชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดก็เท่ากับการเป็นการสร้างบุญและเป็นการชำระบาปไปในตัวหรือป้องกันไม่ให้การกระทำบาปเกิดขึ้นเราทาได้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราทําแต่บุญไม่ทำบาป ใ น, ในอนาคตต่อไปเราก็จะมีแต่ผลบุญปรากฏขึ้นมาให้เราได้เชยชมไม่มีผลบาปผลกรรมให้เราต้องเผชิญให้เราต้องทุกข์ยากลําบากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเรานี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเป็นเหตุที่ทําให้เราสุขให้เราทุกข์ ให้เราเจริญและให้เราเสื่อมปัจจุบันนี้เราขนานี้เป็นอย่างนี้เรามีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันมีรวยจนไม่เท่ากันมีความมีรูปร่างหน้าตาสวยงามไม่เท่ากันมีอายุสั้นยาวไม่เท่ากันก็เพราะว่าเป็นผลของบุญของกรรมที่เราได้ทำไว้ในอดีต สิ่งนี้เราไปแก้ไขไม่ได้สิ่งที่เราจะแก้ไขได้ก็คืออนาคตของเราเราสามารถเป็นผู้ลิขิตอนาคตของเราได้เราใช้กรรมนี้เป็นการลิขิตอนาคตของเราศาสนาพุทธสอนเรื่องกรรมลิขิตไม่ได้สอนเรื่องพมลิขิตไม่มีพมที่จะมาลิขิตชีวิตของเราได้เราคือการกระทำของเราเท่า น, นั้น ที่จะริขิทชีวิตของเราได้ถ้าเราทาดีพูดดีคิดดีเราก็จะสร้างความสุขความเจริญให้กับเราถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็จะริขิทชีวิตที่ไม่ดีให้กับเราพระพุทธเจ้าไม่สามารถริขิทธชีวิตของเราได้คนอื่นไม่สามารถริขิทได้คนอื่นทำได้อย่างมากก็เพียงสอนเรา บอกให้เรารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่เราจะเอาไปทำหรือไม่ทำนั้นไม่มีใครบังคับเราได้เราเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจและทำเองถ้าเรายังไม่รู้ยังไม่แน่ใจก็ขอให้เราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ก่อนอย่าไป ปฏิเสธคำสอนของพ่อพุทธเจ้าเพราะพ่ะพุทธเจ้าทรงรู้จริงเห็นจริงทรงได้สัมผัสกับการ ก, กับผลที่พระ อ, องค์ได้กระทำมาแล้วจึงรู้อย่างแม่นยำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเรายังไม่รู้ยังไม่แน่ใจก็อย่าไปปฏิเสธขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้า พราะพระองค์นั้นเปรียบเหมือนกับคนตาดีส่วนเรานั้นเปรียบเหมือนคนตาบอดคนตาบอดจะเห็นเหมือนกับคนตาดีเห็นไม่ได้คนตาบอดต้องเชื่อคนตาดีเสมอนอกจากไปเจอคนตาดีที่ไม่ดีที่ใจไม่ดีคือชอบหลอกคนถ้าถ้าโดนคนตาดีหลอกก็ถือว่าเป็นกรรมของเราแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนแบบนั้น พระพุทธเจ้าเป็นคนที่มีตาดีและมีใจดีมีความเมตตากรุณามีความสงสารสัตว์โลกเห็นแล้วว่าถ้าสัตว์โลกไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกก็จะต้องทนทุกข์ทรมานไปกับการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิน้นเพราะไม่รู้วิธีที่จะดำเนินชีวิตของตนให้สุขให้เจริญนั่นเอง จึงมีความการุณาสงสารและสละเวลาอุทิศชีวิตของพระองค์ในการสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อให้สัตว์โลกได้หูตาสว่างขึ้นมาผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วมีศรัทธาความเชื่อนำมาไปปฏิบัติก็ได้รับผลดีมามีเป็นจานวนมากหลุดพ้นจากความทุกข์ หุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีเป็นจำนวนมากมายตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนพระาศาสนาจนมาถึงปัจจุบันนี้แม้พระพุทธเจ้าจะไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามแต่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ายังทำหน้าที่เป็นพระาศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์ แทนพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเข้าวัดอยู่อย่างสม่ําเสมอเพื่อมาชำระกายวาจาใจด้วยการทําบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติ ธ, ธรรมด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเรา จะก้าวไปสู่ความสุขและความล่มเย็นเป็นสุขอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้เราเชื่อแล้วน้อมเอาไปปฏิบัติแล้วพอเราเห็นผลแล้วทีนี้เราจะไม่สงสัยเราจะไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเหมือนกับเรารับยาจากหมอมาตอนต้นเราก็ไม่แน่ใจว่ายาที่หมอให้มานี้จะรักษาโรคให้หายได้หรือเปล่า พอเรารับประทานเข้าไปแล้วอาการเกิดดีขึ้นมาตามลำดับเราก็ไม่ต้องเชื่อหมอแล้วเราต้องกินแน่ๆเพราะเรามีความมั่นใจแล้วว่ายาที่ได้มานี้เป็นยาที่ดีเป็นยาที่วิเศษและอักษาโรคของเราให้หายได้ฉันใดเมื่อเราได้เห็นผลจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนแล้ว เราจะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเราจะไม่ลังเลเราจะไม่ต้องรอให้เชื่อก่อนพอพระพุทธเจ้าพูดหรือสอนให้ทำอะไรท่านั้นเราจะรีบท ำ, ท, ำทันทีเลยเพราะเรามีความมั่นใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ในเบื้องต้นนี้อาจจะลำบากหน่อยเพราะเรายังปฏิบัติไม่ได้ยังไม่เห็นผล เนื่องจากว่าเรายังปฏิบัติไม่มากพอเรายังทำบุญทำทานไม่มากพอยังรักษาศีลไม่มากพอยังไม่ได้นั่งสมาธิยังไม่ได้เจริญปัญญาเราจึงไม่เห็นผลเท่าที่ควรจึงยังมีความลังเลสงสัยอยู่แต่ถ้าเราเห็นผลขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเราจะเกิดความยินดี ที่จะทำให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพราะเราเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงทำให้เราเป็นคนดีมากขึ้นทำให้เราโลภน้อยลงโกรดน้อยลงหลงน้อยลง ทำให้เรามีความเมตตามากขึ้นมีความการุณามากขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าเรายังไม่เห็นผลก็ขอให้ทำให้มากขึ้นไปขอให้เชื่อรับรองได้ว่าเมื่อเห็นผลแล้วจะไม่เสียใจจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน จึงขอฝากเริ่มการมาวัดเพื่อมาการชำระกายวาจาใจให้สะอาดหมดจดเพื่อจะได้ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออุทิศมงบุญที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากาันเทอ